วันนี้นะที่ตอนสิบโมงอะ่ะหลวงพ่อพูดคำว่าสังขารเยอะมากเลยนะอะไรก็เป็นสังขารไปหมดแล้วก็เลยวันนี้ทุ่มครึ่งก็เลยตั้งชื่อว่าสังขารไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวต น, น, ตวตนเพราะว่าสังขารมีมีแล้วหมดไปมีแล้วหมดไปขึ้นชื่อว่าสังขารไม่มีอะไรที่ไม่หมดนะ มีแล้วหมดไปมีแล้วหมดไปความหมดไปเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วเพราะไม่มีแล้วจะเรียกว่าตัวตนก็ไม่ได้อย่างมองเรื่องตัวเราทั้งตัวเนี่ยตัวเราทั้งตัวเนี่ยทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเนี่ยมันก็มีแล้วหมดไปสมมติเราจะมองกันแบบแบบแบบแบบใหญ่แบบก็เแรบบียกว่ามองทั้งตัวเลยไม่ได้แยกชิ้นส่วนมันก็หมดไปอันนี้เขาจึงเรียกว่าสังขาร ทีนี้เมื่อมันหมดไปแล้วไม่มีตัวแล้วอะโยมไม่มีตัวแล้วเพราะว่ามันพอตายไปแล้วลองนึกภาพเนาะเวลาเผาก็ดีมันก็เป็นฝุ่นหมดแล้วเป็นกระดูกเป็นขี้เถ้านะความเป็นตัวตนก็หมดแล้วพอที่ขี้เถ้านี้ต่อมาก็ไปไปโปรยในแม่น้ำหนังไปอะไรต่างๆมันก็กระจัดจายนะกระจัดกระจายจนหา ไอ้ที่เรียกว่าเป็นตัวตนไม่พบละมันไม่มีอย่างเนี้ยจึงเรียกว่าไม่ใช่ตัวตนแต่ที่ความหลงของเราเ็หลงว่าเนี่ยร่างกายเนี่ยจิตใจเนี่ยทั้งก้อนเนี่ยมันเป็นเราอันเนี้ยก็คือเข้าใจผิดแต่จริงอะที่มาที่ไปอะที่มาที่ไปของสังขารเนี่ยมันเกิดจากไอ้นู่นเกิดจากธาตุนนธาตุดินธาตุน้ดดนนำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุ อากาศธาตุมันก็คือธาตุทั้งหกเนี่ยมันเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วก็ไม่ได้เป็นของใครอันนี้คือที่มาทีนี้ถ้าเราไม่รู้ที่มาเนี่ยการที่จะเชื่อว่าไม่มีตัวตนไม่มีเราเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเป็นฟังไม่ขึ้นแต่จริงๆอันนี้มันเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้านะก็เลยมาบอกกันว่าเออจริงๆมันมาจากธาตุ ธาตุ ท, ทั้งหกพอธาตุรวมตัวกันมันก็เขาเรียกว่าเป็นขันห้านะพอเป็นขันห้าก็ก็เป็นรูปเป็นร่างเนาะเป็นรูปทรงสันฐานมีหน้ามีตาอืมีแขนมีขามีตับไตไชพุงมีหัวใจหมอ ม, ม้าสกระดูกลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นี่คือมันที่มาของมันก็คือธาตุทั้งหมดเลยนะมาจากธาตุทั้งหมดธาตุตามธรรมชาติ ทีนี้ที่หลวงพ่อพูดแบบนี้ก็คือก็พูดตามคำสอนนั่นแหละเพื่อคลายนะเพื่อถอนความเห็นผิดความเข้าใจผิดจะได้ไม่หลงไปยึดมั่นถือมั่นแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะฟังมาแค่นี้มันก็ได้แค่ได้แค่ฟังเขาเรียกว่าเข้าใจระดับสมองนะยังไม่เข้าถึงใจเพราะว่าถ้าเข้าถึงใจจริงๆเนี่ยคือใจปล่อยวางเลยใจไม่ยึด ใจไม่ยึดถือปล่อยวางหมดวางทั้งตัววางหมดอพอวางหมดเสร็จแล้วเมื่อสังขารแตกดับไปก็ไม่มีผู้ทุกข์ไม่มีใครทุกข์เนาะแต่สังขารมันก็แตกตามกฎของธรรมชาติอืมีแล้วหมดไปมีแล้วหมดไปเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่ออธิบายในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยอันเนี้เหมือนกับว่าเป็นการป้อนข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็น ข้อมูลที่ก็เาเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องส่วนการปฏิบัติเนี่ยมันจะต้องพบพบของจริงของจริงก็คือเวลาเวลามันเกิดอะไรขึ้นไอชนิดที่แบบอะไรลนะ่ะเาเรียกว่าเวลามันมันเกิดทางกายก็ดีทางจิตก็ดีเนาะที่เป็นอาการต่างๆ่าไอตรงนั้นแหละมันก็กำลังแสดงความจริงเหมือนกันว่ามันเป็นจริงที่ปรากฏ ใจยอมรับได้ไหมใจยอมรับได้ไหมเออเช่นสมมติว่ามีความป่วยไข้ไม่สบายนะจริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของธาตุแปรปรวนนะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้หาย ใ, หใจไม่ออกวิยนเวียนศีรษะหรือปวดท้องปวดแขนปวดขาปวดเอวปวดกระดูกปวดฟันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยพวกนี้มันก็เป็นเรื่องของธาตุแปรปรวน ทีนี้ใจมันยอมรับได้ไหมเอ่อถ้าใจไม่ยอมรับนั่นแหละก็ก็ทําให้เป็นทุกข์นะแต่จริงอๆใจอ่ะมันเป็นเรื่องของของสังขารเหมือนกันน่ะหมายถึงว่าใจปรุงแต่งอะนะเป็นเรื่องของสังขารแต่ความยึดถือที่มันเป็นตัวตนอะด้วยความอวิชชาด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงผิดเข้าไปยึดสิ่งนั้นอะเข้าไปยึดสังขารมาเป็นตัวเป็นตนมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเราอ พอยึดแล้วเวลาสังขารเปลี่ยนแปลงผู้ยึดความเป็นเรานี่แหละก็จะเป็นทุกข์เสียเองแต่ถ้าไม่ยึดมันก็ไม่มีเราต้องเป็นทุกข์เพราะนั้นต้องเรียนรู้นะรับทราบสิ่งที่ปรากฏเราทราบแล้วก็ผ่านไปอย่าหลงยึดถือเป็นตัวเป็นตนนี่เป็นสิ่งที่ต้องฝึกในภบชาตินี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึก อย่างนี้ถ้าเราประมาทนะเราเอาแต่ฟังเอาแต่อ่านเอาแต่จาแต่ไม่ฝึกเลยเวลาป่วยเป็นไข้ก็โอ๊ยโอยโอยเราป่วยเราป่วยช่วยหนูด้วยเห็นไหมมันเป็นเราเป็นหนูเป็นเลยอ่ะแต่ถ้าพิณาตามคาสอนความป่วยเกิดขึ้นก็พินาพิณารับรู้ถึงว่าเออมันมีอาการอย่างไรมันเป็นอย่างไรก็ดูรู้ อาการทางจิตก็เหมือนกันนะในชีวิตประจำวันสิ่งมากระทบแล้วเกิดอาการในในจิตใ น, ในใจมากมายโกรธบ้างช่างบ้างเบื่อบ้างโมโหบ้างสารพัดอารมณ์หรือบางทีก็ดีบนะางทีก็มีความสุขเนี่ยมันแปรปรวนอย่างนี้เพราะนั้นต้องสังเกตต้องรู้อย่าหลบอย่าหนีอะไรเกิดขึ้นก็ตั้งหลักให้ดีแล้วก็พิจารณามันว่าอ๋อมันมาแล้วมันเกิดแล้ว มันมาแล้วมันเกิดแล้วอ่าให้เห็นเป็นมันเสียอย่าเป็นเราเป็นมันเป็นมันนะเพราะมันเป็นแค่สิ่งรับรู้เห็นเป็นมันเห็นเป็นมันไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นมันหมดแหละอืมแต่ทีนี้พอคั้นลึกคันลึกเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับมาที่มาดูมารู้ผู้พิจารณาว่า ผู้พินามันก็เป็นสังขารเหมือนกันผู้พิณาก็คือตัวเรานั่นแหละโยมตัวเราผู้พิจารณาที่ผู้พิณาก็คือคือไม่ถ้าไม่ย้อนมาที่ผู้พิจารณาเนี่ยผู้พิจารณาก็จะเป็นเราแต่ถ้าย้อนมาดูอ้าวผู้พิจารณาก็เป็นสังขารแม้กระทั่งผู้บรรยายบรรยายสภาวธรรมมันก็เป็นสังขาร นะเช่นบรรยายในใจว่าจะภาวะทำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นี่อันนี้ก็เป็นสังขารต้องย้อนกลับมาที่มายัางผู้ผู้บรรยายเนี่ยหรือว่าผู้รู้เนี่ยย้อนมาที่ผู้ผู้ผู้เนี้ยว่ามันก็เป็นสังขารเหมือนกันพอรู้รอบนะรู้รอบในกองสังขารทั้งที่เป็นสิ่งถูกรู้ทั้งผู้รู้แล้วก็ทิ้งหมดนี่ก็เรียกว่าทิ้งขันทั้งห้าแล้วทิ้งธาตุทั้งหกแล้ว พอทิ้งหมดก็คือจบนะมันจบตรงที่ว่ารู้รอบในกองสังขารแล้วสิ้นยึดคือไม่มีผู้ยึดมันจะจบตรงที่ตรงนี้เออมันจะจบในเรื่องของการไม่ยึดถือสังขารให้สังขารมันก็เป็นไปตามตามธรรมชาติของมันนะฟังง่ายเนาะยมเนาะแต่ว่าของจริงอ่ะต้องเจอของจริงถึงจะเกิดปัญญามากๆเช่นป่วยจริงเจ็บจริงนะ หิวจริงร้อนจริงอยังเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเนี่ยของจริงแล้วเข้าโรงพยาบาลเนี่ยต้องรักษาให้หมอเขารักษาหมอผ่าตัดแล้วเอาเข็มมาฉีดแล้วคงก็เจ็บเจ็บจริงอ่าหิวจริงไม่ได้กินข้าวก็หิวจริงแล้วเวลาโมโหงุดหงิดนั่นะก็ของจริงแล้วก็รู้ไปพิจารณาไปจนกระทั่งว่าเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าเออมันก็เป็นเป็นมันเป็นเช่นนั้นเองแหละ นะไม่เป็นของใครหรอกมันเป็นธรรมชาติที่เกิดดับเกิดดับอย่างนี้ก็ปล่อยวางไปนั้นเน้นเรื่องรู้ตัวนะรู้ตัวก็คือรู้สังขารรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วคือไม่ยึดออมันปัญหามีสองขั้นนะ่ะสองสามขั้นนะคือหนึ่งไม่รู้สองรู้แล้วยึดออแต่ทีนี้ก็บอกรู้แล้วไม่ยึดนะมันเป็นขยักอยู่อย่างนั้นบางคนไม่รู้เลยพอไม่รู้เลยแน่นอนอนะ่ะยึด แต่ถ้ารู้แล้วก็ก็แค่รู้คือทิ้งมันปล่อยมันทีนี้รายละเอียดการปล่อยมันก็มีอีกบางคนบอกเอาตัวเราไปปล่อยอันนั้นก็ไม่ได้การปล่อยจริงๆอ่ะถ้าปล่อยถูกต้องอ่ะมันไม่มีการิยาการปล่อยนะเพียงแต่มันรับรู้รับทราบแล้วก็ไม่ยึดอย่างนี้เ็าเรียกว่าปล่อยแต่ถ้าเอาตัวเราพยายามจะปล่อยอ่ะอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่า มันยังมีตัวเราไปปล่อยกับอีกสิ่งหนึ่งแต่ถ้าให้ถูกคือรู้ตัวเราแแหละรู้ที่ความความหลงผิดว่าเออเมื่อกี้หลงผิดไปว่าเป็นตัวเราแล้วก็ปล่อยไปถ้าปล่อยตัวเรามันก็เท่ากับปล่อยหมดนั่นแหละอันนี้ก็หลวงพ่อก็พูดให้ฟังในเบื้องต้นนะมันมันเอาหลวงพ่อเท่าความนิดหนึ่งนะเมื่อเช้าเนี่ย ถ้าคนที่ได้ยินแล้วก็ได้ยินก็รับทราบแล้วแล้วก็แต่คนที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินได้ยินซ้ำกันแล้วกันเรื่องความไม่รู้เนี่ยความไม่รู้ตัวนะคือมันมีตัวมีตัวมีตนนี่แหละแต่ไม่รู้ว่ามีตัวมีตนถ้ามันมีตัวมีตนแล้วแล้วไม่รู้เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ยังมีตัวมีตนอยู่ตลอดไปเลยแต่ถ้ารู้ว่ามีตัวมีตนมันก็จะกล่วว่ารู้ว่าอ๋อ ไอ้ตัวตนนี้จริงๆมันคือสังขารใช่ไหมแล้วมันก็วางความเป็นตัวตนเสียแล้วพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่มันมีอัตตามีอิกโก้เนี่ยก็เพราะไม่รู้นี่แหละไม่รู้ว่ามันเป็นสังข์ไม่รู้พอบอกให้รู้ยิ่งมีตัวตอนอีกก็ไม่ยอมรู้อีกเถียงอีกบอกไม่มีตัวตนแล้วไอ้ที่เถียงนั่นแหละโยมตัวตนเบิดล่มเลยอ่ะไอ้ตัวปฏิเสธเสียงแข็ง่ะบอก ยมลองควังประโยคแบบนี้นะสมมติว่าหลวงพ่อจะยกตัวอย่างสมมติว่าหลวงพ่อเนี่ยคุยกับนักปฏิบัตินี่แหละสมมติว่ามีมีคนคนหนึ่งเขาก็ปฏิบัติธรรมานานแล้วแล้วเขาก็าบอกว่าตอนเนี้ยเขาอาวางหมดแล้วแหละก็ไม่ได้ยึดถืออะไรแม้กระทั่งตัวตนก็ไม่มีนะมีแต่สังขารเท่ากับว่าปล่อยวางหมดแล้วอ่สมมติเขาพูดอย่างเนี้ยการพูดแบบนี้ เท่ากับว่ามีตัวตนอยู่แต่เจ้าตัวไม่รู้ว่ามีตัวตนยมลองฟังประโยคนะประโยคเช่นเขาบอกว่าเข า, าปฏิบัติธรรมมานานบัดนี้วางวางวา ง, วางทุกสิ่งและ ว, วางหมดแล้วแล้วตอนเนี้ยผมก็ไม่มีตัวตนแล้วไม่มีเรื่องพวกเนี้ยถ้าไม่ละเอียดมันมองไม่ออกหรอกว่ามีตัวตน แต่ว่าถ้าจับคำพูดก็จะรู้เลยว่ายังมีตัวตนเช่นผมอ่ะผมปล่อยวางหมดแล้วเห็นไหมก็แสดงว่ามีสองสองสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ถูกปล่อยวางแล้วก็มีตัวผมเป็นผู้ปล่อยเห็นไหมฟังดูเผลอๆเหมือนกับว่าอ๋อปล่อยวางแล้วจริงถ้ามองด้านเดียวนะมองสิ่งที่ที่ถูกปล่อยวางนะคือถูกวางแล้วแต่มันยังมีตัวผมอยู่ดี ตัวผมเป็นผู้ปล่อยวางถ้าคนที่พูดไม่เห็นว่ายังมีตัวผมอยู่เขาก็ก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไปรู้สึกว่าเออว่าวางแล้ววางแล้วแต่สิ่งที่ต้องวางต่อไปก็คือตัวผมผู้วางนี่แหละต้องวางตัวนี้แลวถึงจะหมดจริงหรือกรณีหนึ่งเขาบอกว่า เขาว่าปล่อยวางหมดแล้วรวมถึงตัวตัวเองก็วางหมดแล้วขาน้าวางหมดแล้วทีนี้อีกคนหนึ่งก็บอกว่าไม่จริงอะ่ะคุณเนี่ยยังมีตัวตนเบื้องต้มเลยตัวใหญ่พอพูดแค่นี้ปับ๊บเถียงเลยอารมณ์ขึ้นเลยหาว่าโกวยังมีตัวกูอยู่นี่ไงก็มีจริงๆอะ่ะถึงโกรธ อ, อ่ะ ก็มีตัวกูจริงๆมีตัวเราจริงๆถึงได้โกรธเพราะเขาว่าเราเขาว่าเราว่ายังมีตัวตนแต่เราอะเข้าใจว่าเรา่าไม่มีพอเขาว่าปั๊บรับไม่ได้เขาว่ากูว่าเขาว่าเราว่าเรายังมีตัวตนนี่แบบเนี้ยก็ไอตัวที่ที่เถียงว่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วอันหนตัวเถียงนี่แหละคือตัวตน หลวงพ่อก็เลยให้เป็นเป็นอะไรนะเป็นเคตศึกษาเอาไว้ถ้าตัวเองมีพฤติกรรมแบบนี้ให้รู้เท่าทันว่ายังมีอยู่ยังมีอัตตาตัวตนอยู่นะแต่ก็ไม่เสียหายเพราะว่าการที่จะละวางตัวตนได้เนี่ยมันจะต้องเห็นตัวตนเสียก่อนแล้วถึงจะวางได้ถ้าไม่เห็นตัวตนมันก็วางไม่ได้อย่างเคสที่ยกตัวอย่างเขาไม่เห็นตัวตนเขาก็จึงวางไม่ได้ แต่ถ้ามีปัญญามีผู้มาบอกแล้วก็รู้ด้วยตนเองว่าเออเมื่อกี้นี่เนาะมันยังมีตัวตนจริงๆอย่างเนี้ถือว่าวางได้เพราะรู้แล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยมันหลงไปไปยึดถือว่าเป็นเราผู้ปล่อยวางพอนึกได้ระลึกได้แค่เนี้ยก็จะรู้ว่าจริงๆอะ่ะมันก็มีแต่สังขารมันไม่ใช่ตัวเรา เพราะนั้นความเป็นตัวเราเนี่ยมันมีขึ้นได้เมื่อเผ ล, อ, เลอหรือว่าเมื่อไม่รู้ตัวเหมือนเพลงเพลงตอนจบรายการของอาจารย์พุทธทาตุนะอันความจริงตัวกูไม่มีแต่พอเผลอมันเป็นผีโผลมาได้อ่ะเผลอคือไม่รู้ตัวพูดไปก็ไม่รู้ตัวพูดไปไม่รู้ตัวอพูดไปว่าไงพูดไปว่าเราไม่มีตัวตนเนี่ยพูดไปแล้วไงว่าเราไม่มีตัวตนแต่ไม่รู้ตัวถ้าพูดไปบอกว่าเราไม่มีตัวตน แล้วก็รู้ทันขึ้นมาว่าเออที่พูดไปก็คือพูดเป็นแค่สมมติบัญญัติแค่นั้นแหละแต่ลึกๆอเข้าใจแล้วแหละว่าไอ้ผู้พูดเนี่ยมันก็เป็นสังขารผู้พูดเป็นสังขารเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีสติรู้ตัวหลักการของมันบอกว่าเมื่อทําอะไรก็ให้รู้สึกตัวเมื่อพูดก็ให้รู้สึกตัวเมื่อคิดก็ให้รู้สึกตัวเมื่อดื่มก็ให้รู้สึกตัว เมื่อเคี้ยวก็ให้รู้สึกตัวดื่มทําพูดคิดเนี่ยให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวว่ากําลังทําอะไรอยู่อ่าแค่นี้อย่างกรณีพูดอย่างเงี้ยพูดไปบอกว่าเราวางหมดแล้วเราเราวางหมดแล้วเราไม่ทุกข์แล้วเนี่ยพูดไปว่าเรามีเรามีแต่ไม่รู้ตัวว่าว่าไอ้ที่พูดนั้นอะ่ะมันเป็นสังขารพอไม่รู้ปับ๊บมันเป็นเราจริงๆเลยเราวางหมดแล้วเราวางหมดแล้วอ นั้นที่หลวงพ่อชี้บอกเนี่ยก็คือเพื่อเป็นแนวทางในการฝึกนะเพื่อละปล่อยวางนะครับทได้ไม่ได้ก็ก็ค่อยค่อยฝึกไปแหละนะเออถ้าฝึกมากฝึกรู้ตัวเดี๋ยวมันก็จะชํานาญนะจะชํานาญมากขึ้นเมื่อชนานาญมากขึ้นมันก็หลงสั้นลงนะความยึดมั่นถือมั่นก็น้อยลงสั้นลงอันนี้ก็ยกเคส ต, ตัวอย่างขึ้นมา ก็มีเยอะแยะหน่อยนะจริงๆเวลาพูดอะไรเนี่ยนะถ้าไม่รู้ตัวเนี่ยมันเป็นตัวตนไปเลยจริงๆอ่ะนี่ยหลวงพ่อเนี่ยถ้าพูดไปเนี่ยนะหลวงพ่อพูดพูดแล้วไม่รู้ตัวเลยนี่นะพูดส่วนมาพูดสิบห้านาทีไม่รู้ตัวเลยเอาแต่พูดเนี่ยอย่างเนี้ยหลงหมดแล้วอ่าแต่พูดถูกพูดถูกนะหมายถึงว่าเอาพูดถูกตามหลักการเนาะหลักการในเรื่องการรู้สึกตัวการพูดถูกพูดถูกอ่ะแต่ถ้าขณะที่พูดน่ลืมตัวยาวไม่รู้สึกตัวเลยว่าตัวเอง เอกําลังเคลื่อนไหวกาลังรู้สึกกําลังคิดกําลังมีอารมณ์เนี่ยถ้าไม่รู้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเท่ากับว่าได้แต่พูดแต่ว่าขาดสติยักเยินเลยอนะรู้ไปแต่ไม่ใช่ว่าแม้พูดไปแล้วก็มัวแต่สังเกตตัวเองว่าอย่าให้เผล อ, อย่าให้เผลอคอยแต่รู้อย่างเงี้ยอย่างงี้ก็หลงอีกเพราะว่าเอาตัวเรามากําหนดรู้ว่าไม่ให้ตัวเราเผลอ <S <S เพราะนั้นค่อยๆสังเกตไปให้มันเผลอก่อนแล้วค่อยรู้เนาะ หลักการของมันคือมันเกิดก่อนแล้วแล้วรู้เออหมายถึงว่ามีการปรุงแต่งมีสภาวะเกิดขึ้นก่อนแล้วก็รู้ถ้ารู้เร็วนั่นเท่ากับว่าไม่มีปัญหาแต่ถ้ารู้ช้ามันก็ก็หลงนานก็ฝึกไปฝึกไปนะเพราะนั้นที่พูดมาทั้งหมดก็คือหลวงพ่อพูดเรื่องสังขาร น, นะสังขารทั้งนั้นแหละที่ปรากฏนะปรากฏที่เคยปรากฏก็เป็นสังขาร ที่กำลังปรากฏในปัจจุบันก็เป็นสังขารแล้วที่จะปรากฏภายในภาคหน้าก็เป็นสังขารถ้าขึ้นชื่อว่าสังขารเพราะมันเป็นสิ่งมีแล้วหมดไปมีแล้วหมดไปมันก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ใครเป็นแค่สังขารยืนยันอย่างเดียวว่าคือเป็นแค่สังขารเพราะฉะนั้นมีสติปัญญารู้เท่าทันสังขารที่กําลังมีอยู่กําลังปรากฏอยู่รู้เท่าทัน เพราะนั้นน่มันก็พวกนี้เราเป็นเรื่องการบ้านเหมือถึงว่าเป็นเรื่องที่ต้องไปไปฝึกซ้อมไปพิจรารณานะก็ให้รู้เท่าทันโยมที่อยู่ในห้องนะถ้าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทำงานอะไรนะมีเวลานะหลวงพ่อจะให้ทำแบบนี้ก่อนก็คื อ, อลิงก์ยู u b e ที่อยู่ด้านบนนะที่เขียนว่าธรรมชาติรู้แท้นะหลวงพ่อจะให้โยมดูรู้สึกความยาวสักเดี๋ยวหลวงพ่อจะเปิดไปด้วยไม่รู้ ไม่ถึง5้านาทีหรือห้านาทีไม่แน่ใจคือตรงนี้อ๋อคือหลวงพ่อจะอธิบายอย่างนี้ก่อนเหตุที่หลวงพ่อทำคลิปตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อแสดง เ, เพื่อแสดงอะไรอะ่ะคือเหมือนกับว่าไอ้ธรรมชาติรู้นี่นะมันมีอยู่แล้วมันก็สามารถรู้เห็นอะไรได้ทั้งหมดเลยนะแต่ผู้รู้ไม่มีนะมีแต่รู้ รู้หรือว่าเห็นคำว่ารู้คำว่าเห็นนี่นะมันคล้ายๆกันนะ อ, อ่ะเห็นเช่นเห็นเห็นภาพเคลื่อนไหวแต่ไม่มีผู้เห็นนะหรือว่ารู้แต่ไม่มีผู้รู้ เ, ออเหมือนกับว่าหลวงพ่อก็อยากให้โยมเปิดดูแล้วก็ดูซิว่ามันเป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดไห ม, มนะเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยเคยมีประสบการณ์มาก่อนที่เคยเล่าให้ฟังบ่อ ย, อยว่าอาจารย์บอกว่ามันมีแต่การเห็นแต่ผู้เห็นไม่มี มันเหมือนกับว่าเป็นปริศนาธรรมที่คนทั่วไปรู้ไม่ได้เลยนะแต่เมื่อได้พิจารณาจนรู้แจ้งจริงๆว่าเห็นมีอยู่แต่ผู้เห็นไม่มีถูกต้องตามที่อาจารย์บอกเลยนะทีนี้โยมก็ลองดูคลิปอเอาอถ้า อ, อย่างนั้น<อ>พวกเราที่อยู่ในห้องเนาะาดูให้จนจบหลวงพ่อจะใช้เวลาเผื่อไว้อาสมติว่าหลวงพ่อถ้าสมมติหลวงพ่อเปิดห้านาทีบทสงเอาความยาว5้านาทีเนาะ หลวงพ่อก็อาจจะเปิดสักเจ็ดนาทีหรือหกนาทีเพราะว่ามันจะได้ยมดูเสร็จแล้วก็ลองดูซิว่าเมื่อการเห็นมันจะมีมันมีผู้เห็นไหมหรือไม่มีผู้เห็นแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองคุยกันนะเอาเดี๋ยวเตรียม เ, เดี๋ยวหลวงพ่อนับหนึ่งสองสามอาเอาเลย น่าจะดูกันเสร็จเรียบร้อยน่าจะได้ดูกันเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้หลวงพ่อจะถามอะไรล่ะเขาเนี่ย <c oughs> เมื่อดูกันเสร็จแล้วหลวงพ่อจะถามอะไรล่ะคือหมายถึงว่าโจทย์ก็คือนั่นแหละคือเปิดอันนั้นให้ดูเพื่อจะพิสูจน์กันว่าไอ้รู้เนี่ยไอ้รู้แท้ๆเนี่ยมีอยู่ทุกคนทุกแห่งนะ แต่ไม่ปรากฏตัวผู้รู้นี่คือความจริงของสัจธรรมแต่ทีนี้อย่างพวกเราเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยฝึกซ้อมกันมาเยอะแล้วแล้วพอให้ดูภาพอย่างนี้จะเห็นได้ไหมว่าจะเข้าใจได้ไหมว่าเออรู้ที่ไม่ปรากฏตัวเนี่ยมีอยู่จริงใครจะขึ้นมามาพูดตามความรู้ความเห็นที่ตัวเองมีนี่เนาะเออลองลองลองมา แชร์กันดูที่ว่าเออเป็นยังไงบ้าง mm hmm. อ่าไม่ผิดไม่ถูกนะถือว่าเอาตามที่ที่เข้าใจกันจะพูดแบบไหนก็ได้แต่ความให้พูดให้เข้าเรื่องแบบตานองที่ว่ารู้มีอยู่แต่ว่าไม่ปรากฏตัวผู้รู้อ่ายมยมจิมเออลองดูสิยมจิมไหวไหมเอาลองหน่อยนะเอาลองเลยไหเมื่อกี้ได้ดูหรือเปล่าไม่รู้ ก, การตระมัดการหลวงพ่อค่ะเ อ, อวา่าทีมีผู้รู้มีอยู่แต่ไม่ปรากฏตัวผู้รู้เข้าใจว่ายังไงอธิบายขยายความออ่มันเหมือนกับบอกไม่ถูกเหรอว่ามันเหมือนกับภาพลงตาค่ะว่าเหมือนกับเราเราสัมผัสได้แต่ว่ามันไม่มีตัวตนนะคะบอกยังไงบอกไม่ถูก <laughs> <laughs> ใช้ภาษาสมมุติ <laughs> คือเรารู้รู้รู้สึกได้อ่ะค่ะแต่ว่าบอกพูดไม่ถูควค่ะเออจะบอ ก, กได้ว่ามีแต่ไม่มีตัวตนไม่สามารถสัมผัสผู้รู้ได้อือรู้ว่ามีอยู่แต่ว่าเออแล้วแล้วหมายถึงว่าเดี๋ยวนะหลวงพ่อจะตั้งคําถามว่าเมื่อรู้ว่ามีอยู่เนี่ย มันรู้ได้ยังไงอ่ะเออมันรู้ตรงตรงนี้ต้องลองๆซิว่าเมื่อรู้ว่ามันมีอยู่เนาะแล้ววิธีรู้ออออหลวงพ่อใช้คำพูนไม่ถูกเลยอเอางดีเพราะว่าภาพที่ที่ดูในยูทูบอ่ะนะก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมค่ะเป็นสิ่งี่ถูกรู้แน่นอนต่างๆที่ปรากฏนะคะเป็นสิ่งที่ถูกรู้เราเราก็คือว่า อ เ, เออพอเป็นถึงถูกรู้แล้วก็อะไรล่ะไปรู้แล้วมันยังไงมันเหมือนว่าสิ่งที่ไปรู้ก็คือเหมือนกับเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าเออเรามองไม่เห็นหัวเรารู้ว่ามีหัวแต่เราไม่เห็นหัวค่ะหลวงพ่อคือเหมือนกับว่า <c oughs> เหมือนที่หลวงพ่อยกตัวอย่างว่าให้ดูมือถือดูมือเราสิ่งที่ถูกรู้ที่เราเห็นไปก็เหมือนกับมือเราอะไรอย่างเงี้ย แต่เราสิ่งที่รู้ก็เปรียบเทียบเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าเรารู้ว่าเรามีหัวรู้เรารู้ว่าเรามีหัวเอ่อฝุ่นพ่อบอกว่ารู้ว่ามีหัวแต่เราไม่ได้เห็นหัวตัวเองไงค่ะอืมคือไม่คืายไม่ถัไไ่วค่ะหลวงพอเอานะ <c oughs> เอาสมมุะให้ดูหัวเนาะ ใ, ให้ดูหัวใช่ค่ะเพราะว่าก่อนจะดูหัวมันต้องดูมือก่อนไงเนาะใช่ไหมเพื่อเพื่อเป็นอุปกรณ์ค่ะเราจะรู้ว่ามือมือ อ่าแล้วก็เห็นมือด้วยตาแต่ก็เมื่อกลับมาที่ตัวเองมันก็เห็นหัวใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเห็นหัวปรากฏว่ามีผู้เห็นไหมพอพอเห็นหัวมีผู้เห็นไหมไม่มีผู้เห็นค่ะเออไม่มีผู้เห็นมีแต่หัวถูกเห็นไม่เห็นเราไม่เห็นหัวแต่เรารู้ว่ามีหัวแต่เราไม่เห็นหัวเออแล้วอันนี้ก็วิดีโอก็ ล้ายๆกัน็กำลังเดียวกันค่ะก็คือว่าเหมือนกับว่าสิ่งเท่านั้นคือเราเห็นหนูก็คิดว่ามันก็เหมือนมือที่หลวงพ่อให้หนูดูแล้วก็เรารู้ว่าสิ่งที่รู้ว่าไม่ไม่ไม่มีผู้รู้ก็คือที่หลวงพ่อบอกว่าหัวหัวรู้ว่ามีหัวแต่แต่แต่ละว่าไม่รู้อะค่ะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนะคะรู้ว่ามีหัวแต่ไม่เห็นเอ ทีเนี้ยโยมก็คงเข้าใจแหละแต่ว่าภาษาพูดเนี่ยมันไม่รู้จะพูดยังไงคหรือมีใครไหมลองเอาช่วยกันดีว่าเพื่อแชร์กันว่าเรื่องเนี้ยจะอธิบายยังไงเออเห็นหรือว่ารู้แต่ไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้เห็นอย่างคลิปในวีดีโอเนี่ยเห็นเห็นชัดๆเลยอะ่ะมีเคลื่อนไหวด้วยกับเพื่มกับเพื่มด้วยเนาะเออถูกเห็นแต่ทีนี้ไม่มีผู้เห็นเนี่ยจะอธิบายยังไงในเมื่อโอเคเข้าใจกันได้ว่า ภาพคลิปวิดีโอเนี่ยเป็นสิ่งถูกเห็นทุกคนลงใจหมดเลยว่าเป็นสิ่งถูกเห็นแน่แต่พอหลวงพ่อบอกว่ามันไม่มีผู้เห็นเนี่ยตรงนี้จะอธิบายยังไงอ่ะอ้าวมีใครจะลองดูหลวมจิมยังอธิบายต่อไปได้ไหมหรือว่าไม่รู้จะพูดยังไงดีแล้วมันเหมือนเข้าใจแต่ไม่รู้จะพูดยังไงค่ะหลวงพ่อคือหนูก็มาคิดตามที่หลวงพ่อบอกว่าให้ดูมือตัวเองมือสิ่งต่างๆที่เห็นก็คือเหมือนมือเราที่เราเดินไปแล้วเราเห็น แต่ว่าผู้รู้ก็คือเหมือนหลวงพ่อบอกว่าเออมีหัวหัวใช่ไหมหัวเอรู้ว่ามีหัวแต่เราไม่เห็นหัวเราเองแต่เรารู้ว่ามีเ <c oughs> ดี๋ยวก็ไปทีนี้ถ้าถ้าถ้าอุปมาแบบประกอบคู่กันเลยนะสมมุติว่าภาพที่เราเห็นในมือถือเมื่อกี้ที่เป็นคลิปอะเนาะเป็นมือคถูกไหมภาพในมือถือที่เราเห็นน่ะเหมือนกับว่าเอาเป็นมือกันแล้วกันแล้วทีนี้เห็นมือได้ใช่ไหมแล้วก็เห็นภาพได้ แล้วทีนี้รู้ได้ยังไงว่ารู้อ่ะมันมีอยู่แต่ไม่มีผู้รู้เนี่ยตรงนี้ต้องอธิบายได้อ่ว่าไปนะได้ยินอยู่ค่ะก็ขอขอขอโอกาสนะคะเออเดี๋ยวค่อย่อยเรียบเรียงก่อนนะคะค่อาจารย์ก็คือว่าภาพที่ปรากฏ่ะคะก็เป็นสิ่งที่ถูกเห็นนะคะภาพที่ปรากฏ ก็ดูดูดูไปทุกทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสิ่งปรากฏเป็นสังขารหมดเลยที่เราเห็นท่ น, นี้มันก็จะมีพอเรากลับมาดูที่ตัวเรามันจะมียุกยิบยุกยิกยุกยิ ก, ย ก, ยกมีภากมากอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งมารู้ตัวเราที่ยุกยิกยุกยิกภากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออสวย mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็หมายความว่ามันมีตัวอะไรนะหัวข้อมันว่าไงนะคะ มีตัวรู้ก็แล้วกันตัวรู้หรือตัวเห็นก็ได้ค่ะมีตัวเห็นที่ไม่ปรากฏอะค่ะมารู้ทั้งตัวเราแล้วมามาเห็นภาพที่ของหลวงพ่อฉายให้ดูอะค่ะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าตัวตัวที่เห็นทั้งตัวเราตัวที่เห็นทั้งภาพอะไม่ได้ปรากฏแต่มันมีสิ่งที่สิ่งหนึ่งอะที่มารู้สองสิ่งก็คือสิ่งที่อยู่หน้าหน้าเรากับตัวเราอะค่ะพอได้ไหมคะ โยมมั่นใจไหมมั่นใจไหมว่าที่เห็นนี่ถูกต้องแล้วความรู้สึกลึกๆว่าใช่เลยไม่เป็นอื่นเนี่ยหรือโยมยังลังเลสงสัยอยู่ตามที่โ<ม>ยมพูดไม่ค่ะไม่อะค่ะก็คือว่ามันมีมันมีเหมือนสามช็อตไม่ใช่ไม่ช่สามส่วนคือส่วนที่ตัวเร า, เาไปเห็นภาพต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาภาพบันไดผาาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โยมก็ก็เห็นตัวเราเนี่ยยุกยุ แล้วก็ภาพภาพด้วยแล้วก็อ่านตัวอักษรที่มันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มาเห็นตัวเนี่ยค่ะภาพภาพผ่าๆแต่ไอตัวที่มันมาเห็นทั้งสองส่วนนะคะส่วนที่อยู่อยู่เป็นภาพภาพธรรมชาติากับตัวเราเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏอะไรมาเลยฮะเฮ่อพัด ตกลงยมมั่นใจใช่ไหมว่าไอตัวรู้ที่ไม่มีตัวคืออย่างที่พูดมาเนี่ยร้อยเอร์เซนแบบไม่สไม่สงสัยเลยใช่ไหมไม่แต่ตอนนี้ที่ยมพูดมันก็คือตัวยมทั้งนั้นก็คือก็คือสังขารทั้งนั้นเลยโอเคอ<ะ>แต่ว่าที่ที่ยมพูดมาเนี่ยเหมือนกับว่าหลวงพ่อเข้าใจแต่หลวงพ่อก็เลยถามว่ามั่นใจไหมว่าเนี่ยอย่างเนี้ยคือไม่ผิดเพี้ยนเลยมันมีผู้รู้แต่ไม่ปรากฏผู้รู้ค่ะไม่ผิดเพี้ยนเลยค่ะ โอเคนะหลวงพ่อยังไม่ตอบรับแต่พ่อต้องฟังคนอื่นก่อนนะแต่ว่าได้ฟังโยมไปแล้วเอาเดี๋ยวคนอื่นจะมีใครมาพูดอีกไหมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันตอนหลังอีกทีหนึ่งค่ะเจ้าค่ะ